พระธรรมเตสนาจาดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำผูกที่สิบสามต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงเรียบเรียงและคัดเลาอสมนวนใหม่โดยปออินสมชัยชมพูปเปียนทำฮุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีงยงไฮ ตาสาสภากวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาติวเสมะหิติรชจสาสานังเปเศตติ <c oughs> <c oughs> สาธาวดูราสาปุริตตั้งลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพระทรงอาจินจงไขาพาคือป้นจากเกือ่องกาคือตกนานาต่างๆในโลกกว้างสงสารเป็นคนผ่านกันยากก็ลำบากมองขี้ คนบางมีหลายแหล่ตุ๊กเก็แพ้ตัวมามีบุตรตาทีดาใหญ่น้อยบ่อยู่ท้อยเอากำก็เป็นตุ๊กนำแต่เรายามแก่เท่าจะราญาอย่างไปมาลำบากก็เป็นตุ๊กยากทนัดใจยาำหนาวไดนเมื่อยใครตุ๊กก็เอาไม่เผาลน เกิดเป็นคนโลกวางตุกงบ่าห่างไยนีกันปาระมีน้อยใหญ่บ่เมียนไขเต็มตันก่อจักป้ากันตายเกิดเอากำเนิดไหลหนพัดเวียนวนลืมเหล่าบา่หูเก้าแลปลายอ่านนับลายแสนจัดบ่หูขาดเครื่องขี่กันปาระมีสิบสิ่ง บัวระมวลหญิงยมได้จริงกะไก้ไปรอดเพียงแก้วยอดน้ราพานซุกสำรานจื่นจ้อยตุกใหญ่น้อยดับหายตันตั้งลายจูผูย่อมได้หูฟังมาแม่นมีการนาน้าน้อยใหญ่กอละวางไว้เป็นตีพื่งสร้างปรารมีตัวเก่า คออมาต้ธมนาจิงปากันมาฟ้อมนาดังอยู่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติด ต, ต่อตามบาทคอบาลีว่าปูดาตีวะเสมหิทธิราชาดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตวยไปบัดนี้เดเตอ โอนาตีวะเสกันวันลุนรุ่งเจ้าเต้าเป็นเจ้ามหิทธิราชาผู้ปรหลาหเฮาหาดก็มีราชเจ้าองค์การเอแตมสารไปรอดอยังเจ้ายอดบุญภายว่าดูราใจเจ้าถอยเชื่อต่ำต้อยสามานมานะฮันอากาศ ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าภาพเวียงใจสั่งบ่อคาดิง่งในเกิดเล่าถึงเชื้อเผ่าเดิมมากูนี่นาเป็นเต้าภาพแผ่นดาวจำปานกรเชื้อเต้าผู้ทอนบ่อผ่อนสืบแต่มนปิตาจุมพาญาน่อยใหญ่หูเสียงไข่เดนไก่บ่มีไผอาจกา ไปต่อตาราวีถึงวันดีปีใหม่ยอมไปขับไปถวายปันนาการบัดนี้กูยกปรีปนหารสี่มู่มาแวด โ, จโจยนจูไปกันมึงกลัวตายมวยหมอดบอดได้รอดนานไปกลัวมียเตรียมใจเป็นไม้ตั้นมาสอนตายไฟลุนกลัวหมูคุนหนุมเทา อาบาดเก่าแก่เมืองโยธาเรืองน้อยใหญ่ตั้งภยัยไตยดิ่งใจจักว่ำวายมวยมากงเหลืออยู่ห่างบางตา <c oughs> มึงจุงมาขาบไปในตีไก่ตีนกูย่อมือจูต่างเก่าแล้วบอกเราใครปันว่าจักท้าว้ยหอ่อจันาาทาษาร กับขาแป้อาดคุณนากูจักคุณนาวางปล่อยบ่ฮือกาดก้อยว่ำวายคือบอ่ฮือตายมวยมั่งได้เป็นเจ้าจังเหมือนไปจุมคนใดไพ่ไต้ก็จักอยู่ใดสดสดีคงปุรีนี่เล่าก็จักเป็นดังเก่าปังหลังกันมึงยังตุนจา มานาการฮึกหานบอตามราชาองค์การกูเต้าอันใดบอกเก่าไค่ปันกูจักเร็วปั้นเขาผาบเก็นขานาเตเมืองเผาหอคำเหลืองภาษาฮือวินาเ ท, ท่าเอาของนานาหน่อยใหญ่ไปใยใจเมืองตน เอารีปนไผน้อยไปเป็นข้าคอยกระทำการกันเฮแต้มสารเมียนจอดเต้าเจ้าหยอดมาหิตทิราชาก็เอคุณต่างตารีพาวนำไปท้าววายเต้าหน่อมูนี้ก็มีฮันแหละนะ ปพธีสัตตปานาส่วนปพธีสัตตนบุญใหญ่หูแจงไขไลายสานก็เรียกคุณฮันหนุ่มเท่าตั้งเต้าเจ้าเดิมมา <c oughs> คือพาญาตนป่อแห่งนางดอมเหเศิตตั้งเสนาบดียดใหญ่มาพร้อมไขปึกษาวัดนีนาเต้าจำปาใจยยาบ จักมาผาาเมืองเราเปืือวังเอาภาษาวันนาอาดไรเรื่องกับข่าแปะคำเลื่องคุณใหญ่เอาไปไว้เมืองมันกันเราบ่อปันด้วยง่ายมันจักแย่ไราราวีคือเผาปุรีเมืองกวางคือเป็นเมืองห่างเมืองวาย พอตันตั้งหลายน้อยใหญ่จุงเกิดไข่คนิ่งในหูสันได้จุงกาวหหูขาวสับ ป, ปันว่าเฮาบ่อปันภาษากับข่าแปะอาจคำใสหรือจักเรวไว้ใจอ่อนยกยืนตอนวางปันเพื่อหือมันได้ภาคมนีไปจากราชธานี คือเจ้าปุรีไผน้อยหายต่ำก้อยมองผ่านกันหนอโพธิ ญ, ญาณตนองอาจกก่าเสียงขาดกำจาคุณต่างตาผู้เทาอาบัดกก่าแก่มเมืองโยธาเรื่องยศใหญ่ต่างขับไวทุนสาวาค่าแด่มาฮาราเจ้ า, จา ตนเป็นปิ่นเก่าเจ้าเมืองกันวะโยธาเรื่องต่างนาว่าอาจกาฮึกหันตั้งเต้าผู้บ้านมาหิตธิราชเจ้าภาสาตว์หอกฟัง เขากินเล็กขางต่างเขาเจู่คำเจ้าแลงง่ายควเ ร, รีบถท้าวายยกยืนด้วยใจจืนไฟฟันกันจุมเขามันดันเล่ายัางกินเข้าเป็นอาหารตั้งของหวานหลายสิ่งรสายิ่งนานาดังเรารานี่ใสขออย่าได้วางฟันเฮแกมันด้วยงาย แม่นมันโคตรไร่ปารายกโยธาเข้าภาพกินข้านาตเตเมืองโยธาเรื่องน้อยใหญ่เรามีมความไข่นำนาฟึกเฮียนมาบอกขาดจบชะลาดเจิงลลยเข้าตั้งลลยจูผู้ต่างคมสูอาสาขอมาราจชาเจ้าจุงกึดเหล่าขนนิ่งใน แล้วตัดใจปงขาดอนุญาตปันหม่หือ้อคาตั้งลหลรบภาพกับสึกยาบเมืองไก่หื้อหันใสแจ้งที่สุดเสียงตีสังกาว่าเรานี้นะามสู่บ่อหอนหูถอยหนนอพระทศพลนังแล้วใจของแถวจมบ้านจริงบอกตูตะการแกวนใจ แห่งเต่าไทยจำปาอันนำราจะสานมาแต่กี ห, หื้อแจ้งทีความในว่าดูราคุณเตรียมใจหยดไนอันเต่าไทยจำมาต้านจุงไกกาปีกปอกวายนาะออกขึ้นหลังไปบอกยังสันเต้าผู้ผาบดาวจำปา ว่ากันพาฐานาใครใดยังผ่าสัตว์ใหญ่เรื่องไรกับขาแปะคำใสฝ่าเสดมีกุณเลิดเจียงคานจุงยกฤ ป, ปนหานเข้าผาพารบขานาบจริงเอาเหตุเจ้าเรามวลหมู่ต่างพำรู้จอมกันว่าบ่อยกปั่นด้วยงาย ย้อนเต้าอยาปลายกาลีกันหน่อมุนียอดซอยสุดเสียงซอยกำจ้าคุณต่างตาแควนใจก็อขาว้อันจุลีและอลานีกาผากออกไปจากเวียงใจแล้วก่อไปก้มเก่าบอกเต้าเจ้าจำปากพระญามหิตธิราช ผู้หาวหาดใจไฟหือหูความใดเสียงไข่าตามกันหากใดฟังมากก็มีฮั่นแลนา่าเมื่อนั้นผาญามาหิตที่ราดผู้หาวหาดใจห่านฟังตู้ตะการแก่นใจไข่ข้บไปสุดกรรม โอ้ตาดำโคดห้าร้องเอินเป่าโยธาว่าสุยารอราจะอยู่เขา้าภาพสู่เร็วไวจุมจางใจตัวแก่นจุงรีบแล่นไปจูจนผ้าตัวใหญ่กว้างฮือแตกมัง่งเพทาเปื่อเฮือเสนามวลหมูแ ล, ล, ล่นเข้าสู่ภายในตั้งฝืนไฟมกนาจ อย่าได้ขาดสบปันจุงปากันเล่งสองยิงเข้าหองเวียงใจเปืือหือไฟหูใหม่หมดเสียงไข่ปารา <c oughs> จุมยอท่าโหร้องสันดันกองดินดานจางฟ้ายสานร้องเซนมาเต้นเล่นสาสนจุมรีป้นอาจกาถอดดาบทาดาฟัน พ้องถือผันเงาหอกเต้าอยู่ปายนอกปาราฟาตูนามันแกนฮับไวแน่นเหลือใจคนปอปันไข่จริงใด้หากมีแต่ไทยเดิมมากำแฟงนาสิบสองซอกสูงสามวาบอกเป็นไมอ้อมกไล ย, ยิ่งใส่บอกฟังใดดังใจ เสียลูกไฟปางเฝ้ายิงเสียเฝาได้ไดายธนูไฟลายไว้ว่องยิงเข้าห้องไาไหนห่อเฮือนใดอยู่ไกลไปหัวไมเป็นเปลวติดลามเรีววลายแลมีจูงแงไาไหนพอควันไฟมะมุ่งฟุ่งุ่งขึ้นไฟบน จุมหมูขนน้อยใหญ่ต่างกังไกเววาผ่องตักนํามาหดหลอบ่อฮือลุกต่อลามไปผ่องตกใจเล่นกว่ามีแต่พาติตัวละเครื่องคั่วก่าใหญ่บ่อหอนใดอันใดเจ้าเวียงใจมวนหมู่เล่นสะสูสะสน โคลาหหนยศยาวเกิดไขาดาวราชจะทาดียำนั้นเสนาบดียดใหญ่หันไผ่สตในิ่งใจต่างกลัวาตายตัวสั่นใจบ่มันเววาติงทุนสากมเก่าบอกหนอพระเจ้าทารงญานว่าสึกใจหานต่างไทย แหวดเมืองไหวจู้ายคนนิงใจไฟน้อยต่างตำค้อยมองเงาเหตุจุ่มเขานั่นใส่บ่อหอนได้เคยหันจิงป้ากันสาต้านทั่วไฟดานเวียงใจเราควรไปรบผากับสกยาบกาลีให้เขาได้หนีออกทาง ไปอยู่เด่นกว้างแดนไกลเฟืือกหื้อคนไหนไฟใไตหายหมนไม่มองเงารีปนเราสี่หมู่มีพ่อมอยู่นำนาต่างอาสาคำใจจบแจงไขเจียงายจูผู้หม่รบภาพกับสึกยาบตารนขาคอแต้นตนตันเตา้า ผู้ภาพดาวปารายกโยธาอากาออกไปต่อตาราวีกันเสนาบอดียศใหญ่เก่าวเสียงไข่สุดกรรมนอคุณทรรมหนุนดาวการิงเหล่าหันตันก่อเร็วปันปงขาดอนุญาตอยู่ภาคการก่อมีหันและนา ที่นั่นเสนาบดียศใหญ่อันมีจิว้ว่าสุรเสนาก็เรียกโยธาสี่หมู่มาพ้อมอยู่เร็วปันแล้วใครปันก่าวขี้เฮแจ้งทีอุบายรีปนไล่โหร้องสะนันกองดินดานพ้องขี่จ้างสารตัวกา องขีมาสะสนจุมรีปนหอกดาบธนุอาบยายำ ม, มีดานำตือโกต่ตางคิวโคดเดือนลายต่างคนไม่ใครผาบยังสึกยาบกาลีเสนาบอดีนำนาริปนกาจอมหลังกองใจดังมีกองสนันนงอานา จุมยอธายกออกไปไปนอกเกลียวปันโยนยัดกันละลาดบอ่อขาดเป็นสายส่วนยอธาหลายหาัเท้าแห่งตันเต้าจำปาันปากันมาอยู่ไกลแวดเพียงไว้จู่ปายหันรีปนหลยมักเต้าแห่งนอพระเจ้าทรงยานมีใจหานอากา ออกต่อตาพาจนพ่องถอยหนสะดุงสติฟุ้งเววาพ่องเล่นม้ารบภาพด้วยหอกดาบปืนไฟยามดันเต่าจอมไตมาหิตที่ราชเจ้าภาษาดจำฟ้าอยู่ไกตาจากหมูคือจอดอยู่แดนไกตเต่าเอขุนเตรียมใจหยดใหญ่ นำไภ่ไตรีปนเข้าผาจนผาม้างว่าเตียงสมไปอ้างบ่อสังกาสุรเสนาหูรอดว่าเตา้าจอดแดนไกลจิงใสจังใจตัวกาพร้อมทวนายโยธาเข้าไปหาตีไกวังแววไว้สับปันรีปนหันเจ้าจ้างตกอยู่วางสัตถู กอเล่นมาจูสะสัวเขาผาบสัวแต่งฟันเสียงเดือง น, นั้นโหร้องไปรอทองแดนไกลจุมจางใจร้องแซนมาฮีเห็นสะสน องรีปนสองฝ่ายต่างบอ่อกายถอยหนีพ่องมนดีองอาจจบฉลาดเจิงใจพ่องก่อตายมวยม้างจ้างต่อจ้างต่อจนคนต่อคนรบภาด้วยหอกดาปืนยาสุระเสนาผู้แก่นใสจ้างเล่นไปไวจนจ้างใจตัวกา แห่งเจ้าฟาจจำปาตั้งสองคาองค์อาดเข้าฟันฝ่าต่อจนคนอยู่บนคอจ้างถอดดาบง้างดาฟันจังจนกันดูอาดงวงฟัดฝาดงาแตงต่างมีแหงตั้งกู่ต่างบ่งถอยห่นต่างสักมุนใส่ไวพับเสียงไข่ตั้งตัว จิงบ่อเกวาบ่อญานบ่อสะตานไปได้ต่างมีใจอาจสูจนยนอยู่ไปมาฝ่ายโยธาหอกดาบก่อรบภาพแต่งฟันดาบจนกันทิ้งทองมีจูห้องอาณาฟ้องแข้งขาพุทธา องมรณาบำบายต่างฝ่ายตายหลายแลเต่าล่มแพกองกันต่างแต่งฟันภาพสุปอบโหูเป็นไัยถึงตาวันใสคำลาดาลป่าดงดานจ้างป้ายสานตัวองอาจแห่งคุณห้าวหาสุรเสนา แห้งดำนาแต่กอนกอหัวอ่อนรวยแรงบ่ออาแตงยนยู่ลวดบ่อยู่พักดีสุราเสนาบ่ดียศใหญ่กอเป่าไผ่ไตรีปนื้อถอยหุนรีพาเข้าสู่ดาวเวียงใจ เรียบเรียงไวหับไวยังพระตูใหญ่สบพันส่วนเจ้าหอจันมหิตธิราทผู้หาหาตารณนก็ฮือรีปนน้อยใหญ่เรียบแผลนไหลตัวหลังมาถึงยังตีไกเข้าบ่อใดดังหมยก็เฮือรีปนไหลมวลหมูวมแวดเฝ้าอยู่เศร้าซาและนะ ทีนั่นสุราเสนาหยอดใหญ่หันภัยใต้โยธามีนำนามักเต้าแต่เมื่อเจ้ายำไงายได้ล้มตายหลายหลากบัดนี้หากบางตาจิงไปทุนสาบอกเล่าแกนอพระเจ้าตำมีนอมมนียอดซอยก็ตอบทอยกำไป วาดูโหราคุณเตรียมใจอาจกาเม่นศึกหยาบ้าตารุนมีรีปนโกดล้านแวดจู่ดานเวียงใจเราจักคนิงในสั่นส่องหายัางจ้องอุบายเปืือกหื้อสักลายต่างค่ายใดการป่ายถอยหนีคนพระยาดีจบจอดเตียนย่อมรอดภัยมร แม่นซักหานหลายแหล่เราย่อมผับแป้บ่สงสัยตั้นจุงกาไกขึ้นสู่ยังตี้อยู่เกหาแล้วเศร้าซายังย่อนฮืออิดอ่อนไม่หายถึงยามง่ายผูกเจ้าเราใดกุดเหล่าสันใดก็จักไข่เกาอู้ฮือตันหูตามมี เสนบอดียดใหญ่ฟังเต้าไทยใครปันก่อผีวันก้มเก่าลาเต้าเจ้าบัดเดียวแล้วปอกเหลวขึ้นสู่ยังตีอยู่เฮือนตนก็มีหันและนะ ผุเทสัตตปาณาสนโู้ที่สัตาาสนสตนอง์อาจคานิ่งขาดในใจวน่นเย่สันใดนั่นใสจักือสึกใหญ่ตารนได้ถอยหุ่นป่ายกานหรือสะต้านพระนีหือเจ้าปูรีไา่น้อยหายตำก้อยมองผ่านได้สำรันโบผน เมื่อแต่ก่อนอ่อนลังดอพปุทธทั้งสั้นสองหาอย่างจ้องอุบายก่อหันลหลแจ้งที่บ่มีตีสงสัย <c oughs> จริงข้าหนิงนายไปรอถึงปียนอดสายตาแต่เดิมมาจาดก่อนเกิดอยู่บนดงนาเป็นพาญาเสือนใหญ่ภาพเสียงไข่ดงไพร ว่าคาแดพี่ใสใจแห่งคาบัดนี้ซึกหยาบ้าตารนอันเป็นรีป้นแห่งเต้าผู้ภาพดาวจำปาโยกกันมาอยู่ไกลแวดเมืองคาไว้จูปป้าเฮรีป้นลายมวนหมู่ออกภาพสู่แต่งฟันแต่ยำวันเมือเจ้า คาราบต่อเต้ายามแรลงตาวันแดงตกต่ำจักมืดค่ำจนตาจุ่มโยธาหาเท้าแห่งกันเต้าเมืองไก่จักอ่านไปนักโสดนับล้านโกดดีลีรีปนเรามีหากหน่อยต่างอ่อนม่อยรว ย, ยแรงกันตาวันแดงคำลา ลงละป่าดองตันจรปะกันวนหมูปอกเข้าสู่เวียงใจบัดนี้สึกแดนไก่ถอยไรยังอยู่ไก่ราชธานีบอกหูนีกะภากออกไปจากเสียไก่ยิงปืนไฟมกนาดบอกหูขาดนันเนืองจุมเจ้าเมืองน้อยใหญ่ต่างกังไกเววา ขอพี่สายตาอย่าจ้าไปช่วยคาคำใจเปือือหื้อสักลายต่างค่ายใดยกย้ายถอยหนีแดเตอร์ยามนั้นผาญาเสื้อใหญ่หูหลอดใดในใจดังมาไข่เกาวจี้ือแจ้งที่ขีญา ตัดกองตาต่อนาจริงบ่ได้จ้าหึงนาคนือปาริวานเป่ารอ้องไปไข่หองดงนาคือเสือนานาหน่อยใหญ่มาพร้อมไข่บัดเดียวเสือดงเขียวหลายซำมีพร้อมพั่มดวงลายคือเสือลายเสือโคง ร้องเสียงทรงดันเอื้องตั้งเสือเลืองใจกาเสือลายมากบาเสือดำมีนานํำตัวดาวกันหูข่าวสัญญาป่ากันบาบ่จ่าพร้อมทวนนาสับฟันนับหลายปันหลายหมื่นอยู่ระรื่นเต็มสะดำกันเสือดงรามมวลบู่มาพร้อมอยู่บัวระมวล กาละกวรมาไขว่านยาเสืออใหญ่ดงไพรก็จะไขเก่าขี้ือแจ้งทีขีญาว่าเราจักจากดงหนาเถื่นทองไปสู่หองปันธุมตินกรแห่งเต้าภูท้อนหนุ่มนาวน้องจาดเก่าตนเราเหตุสึกบ่เบาใจอยากมารบผาพระวี แวดปุรีเมืองใหญ่จอดเสียงไขว่จูปายตันตั้งหลายมวลหมู่จุงไปผาพสูพระจนกับรีปนต่างคาา่ายือก้านไปถอยนีเสือดงรีน้อยใหญ่หูแจ้งไขว่ความในต่างมีใจจืนสู เต็นซาสุสะสนเหตยากินรีปนไผ่ไตฮืออิ่มใส่เต็มตันอยู่หิมมาวันเถือนทองลางเตืออิ่มต้องเหลือลายลางเตืออสอดได้กว่าจอยบ่อได้ดอยอันได้วันนี้จกไปกินจีนแห่งคนหูหินหนังบาง จักเหมือนจิ้นกวางในป่าเรือลำกว่าสันใดเสือดงไพรมวนหมูต่างคมสู่อาสาไฟผญาเสือใหญ่ก่อนำไผ่ไตรีปน คือเสือพระสนหลาลากออกมาจากดงตันด้วยเร็วปั้นบอดจอต่อเต้ารอดรักจะทานีียามร้อยที่เตียงคอนคนจู่บอลเสาเสานอน พระจันทร์จ้อนยอนหอยลับบ่อนน้อยปลายดอยแล้วหายซอยเหมือดเ่าไก่เจ้าเล่าขันเลยมีแต่เบยหมอกุมปกหอหุมตังเมืองโยทาเรื่องหมากเต้าแห่งเต้าเจ้าจำปามีนำนาน้ยใหญ่ลับเสียงไว่เหมือนตายไผบ่หมายขวาตรู ว่าจากใดหมุหมู่เมื่อมอนย้อนเสือดงดอนตัวหยาบจักมากาบคบตนเข้าจูคขนอ่อนม้อยรับสะสอยเมื่อนานส่วนจ้างไปสายนตัวกาตั้งหมู่มาหลวงลายอันอยู่ย้ายไปนอกดังมันบอกสัญญาว่าเสือมาอยู่ไกลมันหูใดซับปัน ต่างปะกันร่องแซนมาฮีแห่นเรรนจุ่มรีปนไผ่ไตลางผ่องใดยินเสียงบ่อสะเมียงตาพอ <c oughs> บอ่กึดต่อสังหอนเมาหลับนอนขุดคู่บ่กึดหูอัออนตารายแม่นเสือไล่มาไกล ย, ยังลับอยู่ได้สันดีก็มีวันนั้นแหละนา เนธตังขีณาสังวนานานวิเศษจห้องเหตุสุวรรณแปะคำผูกสิบสามปางเสือหลายล้ำจากป่าจากมาลากินคนคือรีปนไัยไทยแห่งเต้าไทยจำป่ากันจักจ่าต่อแทง ขอก่อแฮงอิทธิ์หิวพ้องใจปิวบ่อตั้งย้อนไครฟังขึ้นหลังจิงนิตที่ตั้งเตาอีเตานี้ก่อบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล